ၼမေႃတတ်စပခဝတေႃ අရႁတေႃ စမ්မာ စම พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังพุทธัง ยัมปิธัมมังตรณังกตฺฐามิ ติยัมปิภัมมะสรณังคัจฉามิ เจริญธรรมทุกคนธรรมอ่าอ่า ปีใหม่ตั้งใจดีๆเอา ไปช้อปปิ้งๆ ให้สินประเสริฐแก่ประชากรเต็มที่เหมือนกันใครมีของ <coughs> จะต้องไปไปทองจะต้องไปรดน้ำมนต์จะต้อง ได้สินค้าโอ้โหยอดเยี่ยมเลยเป็นๆ จะจับประเด็นนี้ 28 มีๆนามๆ52 จิต 89 อะไรพวกนี้ที่ทันเรียนกัน นามธรรมพวกนั้นล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะของ นั่นไปหาองค์สภาวะของ 16 เอิ่มไม่ใช่ขอ 14 ข้อ 14 เนี่ยท่าน 5 อย่างนี่การศึกษาศึกษาปฏิจจสมุปบาท 28 เลยท่านว่าไว้ 4 อุปาทายรูปอีก 24 อุปาทายรูปกับมหาบุตร ทั้ง 6 สังขาร 3 ครบ 6 ครบนี่ 16 นะจะต้องศึกษากายวิญญาณโอไม่ใช่ ก็มันก็ไม่เป็นความจริงไม่ครบแล้วไม่ตรงตาม จึงไม่เรียกว่าๆวิญญาณ 6 15 นะหมวดเหล่านี้ว่า ศึกษาครบความจริงครบความจริงที่เป็นมนุษย์จริงๆแล้วมันไม่ใช่กาย มันไม่มีประสาทเข้าไปไปไปร่วมด้วยส่วนที่ประสาทร่วมด้วยอยู่ เจ้าพลและฟันก็ตามกว่าหรือผิวหนังกัน นั่นส่วนที่นานาส่วนที่มันผิวหนัง เป็นนามธรรมสามารถเรียนรู้ได้สมาธิจิตจิตจิตคือแบบนั่งสมาธิ ผลทางจิตเรียกว่า เขาไปอยู่แต่เข้านายเป็นสัญญาแบบ ไอ้นิกะข้างนอกทั้งหมดเนี่ยองค์ประชุมๆภาวะคือ เป็นเดี๋ยวนี้ลัดเป็น Life นะเป็น Phenomenal, Phenomenal Life, อาการ 2 อย่างเนี่ยคุณก็ นั่นน่ะวิญญาณหรือว่าธาตุรู้มันอยู่ตรงช่องนั้น นั่นแหละเป็นรูปสัญญาเป็นสิ่งที่ นี่แหละ 16นอ230 นี่ทําฮะฮะเอ๊ะจอดําๆมืดๆไม่หัน <c oughs> ไม่ไงกับจับอยู่เค้าจะอินเสิร์ตให้ ไม่มีวิญญาณ 6 ไม่มีเอ่อ 6 6 6 6 6 6 6 6 ครบตัณหา 6 ซึ่งอาตมาก็เคยตั้ง เห็นมั้ยความจริงก็มันเป็นเช่น แล้ว 8 ด้วยกายกายคือความจริงที่จะมีทั้ง 8 ก็ ท่านก็ไม่ถือเป็นความจริงไม่ยอมรับว่าจะ ยืนยันได้อย่างไรก็ตามๆ วัฏฏีสังขารผู้ที่ศึกษาจิตสังขารพวกนี้เนี่ยไม่ค่อย กายสังขารได้เออปัสสัมปยังกายสังขารังคุณก็ไปทํากายให้มันอยู่นิ่ง เรโยมผู้จากวิญญาณโอ้โหยิ่งย่ําหัวตะปูชัดเลยว่าคุณ มีของจริงครบของจริงครบองค์ แต่สอปินิโรธปนาจึงจะรู้จักวจี วจีเนี่ยแต่ตอนวจีสังขารเนี่ยมันยังไม่ๆ ที่ไม่ตรงกับพระวจนะ มันไม่ใช่ของจริงที่มันเกิดสัมผัสรับ มันไม่มีเลยไม่มีเลยอาตมาวันนี้นี่อาตมามันโอ้โหพระพุทธเจ้าเค้า อาตมากําลังอุปถัมภ์โลกตัวเองเป็นอาจารย์พูดธรรมะ หรือว่าไม่รับรองโอ้โหพวกเถื่อนเถื่อนอาจารย์เถื่อนไม่มี มีศิษย์จริงๆไม่มีนักธรรมจริงเออ ได้อย่าใช้ประสานกันก็ได้นะ ว่าสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นที่ทํา อาตมาๆว่ามันใช่หรือๆเนาะมันๆจนหมดสิ้นไม่ ในสัญญาใดๆกิเลสก็ไม่เกิดสักทีนึง <San> <San> เมื่อวิทยาสารนิสัมผัสของจริงเห็น รู้จัก, รู้จัก, 28 ใน 28 ใน มหาปุตโรประสาทรูปก็ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายจักขุวิญญาณนะโสตะวิญญาณฆานะวิญญาณ ไปเลยเป็นความเข้าไปไปไป 16 ข้อ 230 มายืนยันว่าไม่เรียก ผู้ใดที่วิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณเป็นมีนาม เนี่ยข้อข้อสอนของนี่ท่านตรัสยืนยันไว้ชัด 3 ฏ, ฏ, นะ, าน, 3 อาตมาก็เปิดเข้าเปิดออกกลัวลมเพราะว่าไอ้หนังสือมันจะเป็นปก นะก็เอ้าค่อยๆเปิดไปไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> 16 นี่สังขาร 3 เพราะฉะนั้น 3 อาการ กว่าแล้วหนูทําเอาข้อ 16 นี่ 3 มีนอกและในแต่เวลาศึกษาต้องศึกษา ไม่ต้องซึกขนาดไปทําให้มันสวย จะจุดอย่าจุดหม่องครั้ง สังขาร 3 อ้าวฟังตัวสังขารน่ะเอาเริ่มต้นตั้งแต่สังขาร เพราะมีปัสสาทอายตนะเกิดพอเมื่ออายตนะเกิดแล้วก็อ่าน แย่ๆวิจารณ์ให้เห็นเวทนาสาธยายท่านตัดไว้อาตมา ตนเองจําได้เลยเพราะอาตมาจะพูดๆเลยจะอ่านสภาวะของสิ่งนี้ เรื่องชีวิตในการอยู่ <c oughs> <c oughs> เอาๆดูๆอาตมาก็ๆๆ สรุปย้ำอีกทีย้ำโหตโปอีกทีว่านั่งหลับตาสมาธิๆ คุณจะไม่ๆเป็นอรหันต์ได้ต่อให้เกลียดว่าคุณซึ่งๆจะ คำสอนพระเจ้าเราไปนั่งหลับตาเรท มันจางคลายก็รู้มันดับก็รู้ดับเก่งแล้ว สมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะคือของ ไม่ได้ลึกต้องให้ไปเรียนไซโคโลจีด้วยก็ไม่ลึกนะ กายสังขารนั่นคือผู้มียานอย่างรู้ความเป็นกายสังขารที่เรียกว่ารูปประกายคือองค์ประชุมของรูป 28 ตั้งแต่มหาฝูตรตะ ah 4 แล้วก็อุป τธายรูป 24 ซึ่งเป็นกายสังขารที่มีกายวิญาณกายคือสังขารที่มีกายวิญาณอยู่ในนั้น เป็นHar Tab ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta จึงเรียกว่าสังขารกายวิญญาณมีวิญญาณก็มีองค์ประชุม นะ าย, 28 นะเพราะอยู่ นะ, นะ. 4 5รร5 เกิดวิญญาณน่ะถ้ามันทํางานร่วมกันมันก็ มนะกับธรรมะในจิตเราถ้ามันไม่เกิดสําคัญ มันไม่ทํางานร่วมกันมันก็ไม่เกิดหรือ กายวิญญาณเกิดนะโพตัพพารมณึกกายวิญญาณเกิด องค์ภพที่มีประสาทรูป 5 16 230 นี่ นะกายนี่กายจิต เพราะ 8 คือ 7 องค์เนี่ยก็ เพราะฉะนั้นอนุกรมด้วยและแปลว่าหมวดของ ท่านตรัส 8 คือปฏิบัติองค์อ่ะก็จะมีความ ในภวังค์ก็ไมไม 28 ไม่เรียกว่ากายต้องฝึก ไม่ขัดแย้งกันเลยก็ไม่ คุณเห็นไหมคุณคุณคุณ อาตมาก็อธิบายไปแล้วพูดไปแล้วว่า วะนิโรธละน่ะกายสังขารเอ้าความจริงมัน นะเมื่อคุณว่าคุณเป็นอรหันต์เขาถามคุณอย่าง ถ้าไม่เช่นนั้นมันไม่เป็นสัมมาสมาธินั่ง ที่มีองค์ 7 ที่ทํางานอัน พูดที่นั่งรับตาสมาธิตู มันเป็นสมาธิสากลสมาธิทั่วไปรู้กันเข้าใจ คมกว่านั้นคมกว่านี้คําแข็งๆ เขาๆมาโอ้หนีหนวนพูดปะเลาะปะโลมปะเลาะอาตมาไม่โอ้โหโอ้โห เดี๋ยวนี้รักรักรัก พูดที่ 28 ไม่เรียกว่ากายเพราะรูปไม่ครบ มันมีองค์รวม 4ๆ8ๆ2 มีปสาทรูปอุปาทายรูปจากมหาปุตรรูป 4 แล้วก็เอ่อภาวะแล้วก็ เพราะมันไม่มีกายมันไม่มีกายมันไม่มีองค์ 8 ไม่มีครบโดยเฉพาะคําว่ากายนี่ขอย้ํา กายในกายองค์ประชุมข้างในเมื่อสัมผัส อ่านได้ของจริงน่ะไม่ใช่ อายตนะ 6 ไม่มี 6 ไม่มี 6 ไม่มี 6 ไม่มีมี 16 เนี่ยที่ 10 ตัณหา 6 ข้อ 11 เวทนา 6 นะ 3 สุขเวทนาทุกขเวทนา 3 แต่ 6 ที่เกิด 6 6 ะ, ญญ า, ป, 4 ตนังอุปาทายทายะรูปังคืออุปาทาย 4, 4, ก4กออปป24 14 15 416 สังขาร 3 นะกายสังขารวจีสังขารจิตสังขาร คุณก็ขาแล้วเป็นเป็นคนไม่สมบูรณ์สิ่งที่แน่นอนๆไม่ต้องอคติอะไรฟังมายืนยันฟังดีๆแล้วจะรู้ว่าโอ้ได้ผิดถ้าเกิดบ้าง เรียนรู้ตรวจสอบใหม่จะได้โยนิโสมนสิการเป็นสมาธิทิ เมื่อฟังสัทธรรมบริบูรณ์ย่อมศรัทธาบริบูรณ์เชื่อถือเข้า คุณก็ทําสติปัฏฐาน 4 บริบูรณ์โพชฌงค์บริบูรณ์วิชชาและวิมุตติก็บริบูรณ์ 24 ข้อ 61 นะอวิชชา จากผัสสะจากมันสติมโนสัญเจตนาจากวิญญาณ สัมผัสทองคําสัมผัสเงินสัมผัสที่ดิน แล้วเออๆ เมื่อเราออกมาขึ้นบนเนาะพูดโอ้ๆละเอียด ไม่ได้เคลียร์ได้จังแต่พูดเป็นไม่ ขออภัยถ้าอาตมาจะกล่าวนี้ เป็นพระบ้านในส่วนใหญ่พระบ้านในส่วนใหญ่ส่วนพระป่าก็เป็นนะ คุณใช้วิธีๆมันการมี ทุศีล 5 เป็นต้นเราก็จะต้องมุสา บ้านเมืองๆถ้ายิ่งคนทํางานกับสังคมส่วนใหญ่ใน 5 ข้อ มีศีล 5 เท่านั้นน่ะอาตมาถึงกันๆเลยแหม สนช. อะไรพวก เอ่อจะมี 5ๆอยู่ ที่พูดนี่ไม่ได้ด่าใครนะพูดวิชาการๆไม่ยกเว้น ไม่เอาจริงๆเออแล้วก็เรื่องกามจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ พื้นฐานน่ะเอาแค่นั้นก็กิน 2 นะ ยังจะมีแม้เจ้าต้องบ้านใหญ่บ้าน เราต้องมีข้อกําหนดว่าคนอยู่ ไม่ฆ่าสัตว์ก็สามัญมนุษย์ที่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับ ไอ้เสือเฮ้ยวัน ซไนเปอร์ใช่มั้ยฮะสไนเปอร์เออแหมแหมพูดผิดพูดถูกไปยิง 35 ดิโกไม่เข้าท่าเอามันๆหน่อยสนุกหน่อยๆ มันไม่ถูกมันไม่ๆว่า ดีมีดีมีอีกทั้งโอ้เอาขอบคุณขอบคุณ ต่อควรจะแก้ไขอย่างไรสอนพระพุทธเจ้าตรงไหน 8 8 Mozart transplanted to 911 something that is the application of ที่วงวนอยู่เรียกว่าภพเรียกว่า ก็ขึ้นแต่มันรอบใหม่สู่สูงวนๆขึ้นไปพญามัน จุดเบื้องที่สุดเอกบุรุษอุตตมะปุริสสะจุดยอดสุดท้ายหนึ่งเดียวเอกะอัน เช่นอภิสังขาร 3 เงี้ยบุญญาภิสังขารพอเป็นอปุญญาภิสังขารก็เอาๆมัน รอบสุดท้ายตรวจสอบอีกทําให้มันแข็งแรง ไม่ใช่ใช่ถ้าเข้าใจอย่างนั้น 3 นี้ไม มันแปลว่าหมดบาปมันไม่ได้แปล ก็เป็ปแป่อะมนสิการว่าไม่ใส่ อรูปไล่เข้า 4 ก็เริ่มเป็นอรูปเพราะ ก็ศึกษาอากาศตรวจสอบสภาวะว่าง มันก็มีจิตที่ว่างจากเสพผลแล้วจิตที่ คุณก็มีแต่ว่างอาการว่างเจริญ ล้างอีกคุณ มันไม่มีสังขารกายให้คุณปฏิบัติพวก สร้างอรูปนี่แหละตรวจความบกพร่องที่ยัง สมาหิตังจิตตังซึ่ง 16 วิมุตติก็จะเป็นวิมุตติสมบูรณ์นะ کنگا به کوچایی به سمارتی طبیعی است. سمارتی است که به کوچایی به سمارتی طبیعی است. سمارتی است เพราะอนุตตระจิตตังนี่มี 16 นี่ให้จริงๆ16 ภาษาก็ไม่ สอสราคะสโทสะสโมหะเราอ่านรู้สราคะหรือกามนี่แหละ บางคนรู้ลักษณะของสภาพที่ๆคุณก็ต้องอ่าน รู้ได้แค่วิกรรมปะหานก็รู้ 7 8 ขั้นนึงคุณก็จึงจะต้องโอ้โหยังระมัดระวัง สายหดนี่บางทีก็ไปสอดจิตตังแน่น สังจิตตังจิตตังๆว่าหดหู่นะได้แปลสังจิตตังจิตตังว่า ก็เป็นจิตที่จับตัวแน่นเกร็งอะไร ละเปรียบชัยสํานวนว่าวิตกวิจารณ์ดับหรือวิจุกวิจารณ์ ก็ทําให้เก่งมหคตะทําให้ยิ่งขึ้นทําให้อัคคะเรียกว่าเยี่ยมยอดอัคคะ มันได้แค่สังจิตตังจิตังวิกิตังอยู่นั่น ทำเข้าไปเอ่อหรือนี้จัดแจงแบบแต่ มันจะมีปฏิภาณรู้เองเออมันดีดีล่ะดีขึ้นเรื่อยๆ อยู่สุดยอดด้วย 108 3 กาลของ 36 อดีต 36 ปัจจุบัน 36 อนาคตนั่นแหละทํา ถาวรเนรสูนิจจังทุกังสัสสตังเลยนั่นแหละจิตของคุณก็ สมาหิตังจิตตังเป็นจิตที่ตั้ง 16 คุณจะรู้จิตพวก ปรปุคครานังสัตว์รู้จักหมู ไม่ใช่ใช่มันรู้จักสัตว์ต่างๆสัตว์นรกสัตว์อบายสัตว์กามสัตว์นะๆ มันเป็นอื่นไปแล้วเป็นอื่นไปแล้วตอนนี้จิตก่อนนี้เราอยู่ในโลก รูปปรมัตถ์จิตเจตสิกรูปนิพพานไม่จะไปรู้ตัวตน มีปรัตเปตปกเล่มนี้แปลมาให้อาตมาได้ ไม่ได้ลบหลู่บุญคุณหรอกแต่ที่พูดนี่พูด ไม่ได้ใช้จริงๆ16 ไมคุณจะมีวิชาข้อนี้จริงจริงๆไม่ใช่ มหัศจรรย์ปาฏิหาริย์เป็นอิทธิปาฏิหาริย์ๆนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะ รถทิพย์รถมนุษย์สัมผัสเท่า เพราะ 2 หรือ 2 1 พอคุณกระทบสัมผัสรูปนี้แล้วคุณก็เห็นรูป วิชาข้อที่ 3 ข้อที่ 4 เนี่ย ผีเทวดาที่มิจฉาทิฐิก็ไปรูปผีเทวดา คุณก็เป็นโลกียรดได้ลาบวันนี้คุณๆจนมันหมดเปลี่ยว มันเป็นวิสุทธิเทพค่อยๆเป็นอย่างสองอย่างเป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพนี่ จะอ่านใจจริงได้ว่ามีใจทิพย์เป็นอย่างนี้ อาทิภูมิทิพย์หรือว่าอะไรทิพย์ๆของเค้าน่ะมันเรื่อง เสแวงบุญนอกขอบเขตพูดออกไปกันจน อาตมาจะไปทำลายแต่คุณก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขเองคุณทำไมถ้าได้ 8ชช8 พอมีปัศนายานนี่ก็เข้าใจกันไปเลอะ จะกดไว้ที่ฝ่ามือนิ่งไว้ตรงนี้นี่แหละแล้วเคลื่อนไหวมือได้ มันก็ได้แต่สมถะมันไม่เป็นวิปัสสนาขี้หมาอะไรกันเลย ปฏิบัติที่หมายพูดนี่พูดหมายว่าคุณไปหลงผิด ไม่ใช่นี่คือความหมายของวิปัสนารู้แจ้งเห็นจริงวิปัสสนานี่คือความหมายของวิปัสสนาในๆ28 ไมครบนี่ เพราะเออมีข้างนอกตื่นนะ ต่อไปก็จะ 5 นี่ก็คือความหมายนิยามของ นี่เรียกว่ามโนมยิทธิมีฤทธิ์อิทธิมโนมยิทธิคือ อติปาฏิหาริยเทศนาปาฏิหาริย์ก็ลงและเถอะก็อยู่ในวงหรายามิท่าน สังเกตไม่เอานะแบบนั้นน่ะๆเจริญขึ้นอย่างถูกต้องตามองค์ เป็นสุขกินะฮะพรหมไม่ใช่ไม่ใช่จิตดับแบบมืดๆเป็นสิ่ง มันเป็นได้ความดับไปจําเป็นมโนมยิทธิเป็นสิ่งที่ไม่ ม้วยไปหมดเก่าเจโตปริยานจุม้วยไปหมดกสอทิพย์ ตามคําสอนพระพุทธเจ้าถือศีล 5 และ นี่คืออนิสงส์ของการปฏิบัติศีลอย่างนี้เป็น ไดกสติปุเนเป็นความหลากเช่นเอกโกปิหุตวาปหุธาโหติหนึ่งเดียวเป็นหลาก มันก็ไปแปรอิทธิวิธยาเนี่ยไม่เป็นโลกุตตระธรรมหรือไม่ จิตมันสามารถอ่านจิตหนึ่งเดียวรวมเป็นหลายได้เดียวก็เช่น ก็คือมันเกิดจากวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะได้ของ พบระดับด้วยพอพบกับพอไปดับ kinetic energy กับ potential energy หรือเป็นสมถะหรือ ればเป็น... เป็นอันสัพพขันธ์อันขันธ์เชียอันขันธ์ ก็ไม่ใช่ว่าร่างกายใช่คุณทําให้กิเลสได้ คุณมีอินทรีย์พละคุณมีสัจจานุโลมิกญาณคุณมีความเก่งความ มันนอมะยิทธิที่แท้เป็นการสร้างจิต เหมือนแม่เล่นหม้อข้าวหม้อแกงก็ลูกๆเหมือน <Bienvenido> รสอร่อยเราไม่มีเพราะๆมีมุทธภูตธาตุปรับปรุงปรับจิตเกิด ให้เกิดก็ได้ให้ตายก็ได้เร็วก็ได้ช้าก็ แต่เราเดินผ่านได้เหมือนไปในที่ว่า นั่นน่ะกองภูเขามันหยาบมันกร้านมันไปด้วยโลกีย์เต็มไม่หยาบ แต่เราเดินอยู่ในที่ได้มวลเดินอะไรมาติดขัดอะไรเราเลยที่หยาบแข็งยิ่งกว่ากว่าเดินสบายเดินแตะไม่เอา ลมลังเราไม่ได้จิตจริงๆ พุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในแตกเหมือนอะไรโอ้โหแสดงนั่น เมชะโลกุตระผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนในเช่นถ้า แมะเนี่ยบัดเจ็ตอันนี้เป็นบัดเจ็ตลับ จะดำลงไปในดินเหมือนหน้าไม่ได้หรอกดำลงไปในดินเหมือนน้ำไม่ได้ เรียกว่าเป็นคนประหลาดเดินธรรมดา เดินบนน้ําก็ต้องตกผมไปเดินเฉยไม่เห็นอร่อยไม่เหมือนเค้า แต่เธอทําไมไม่อร่อยเป็นลิ้นไอ้เค้กหรือไงจริงๆ มันไม่เป็นสามัญเหมือนเขามัน เควาบะเบายังโกรธเลยว่าแรงๆไม่ต้องห่วงหรอกโกรธ <tune in despair> <tune> <tune in desert> นี่คือพุทธดำลงไปในแผ่นดินได้เหมือน เหาะๆเบาว่างสบายไม่ลอยเบาว่างเบา อัตมาเคยใช้สำนวนอธิบายมาเก่าว่ารูป เราก็อยู่กับมันเฉยเลยไม่มีร้อนอยู่ไม่เคยร้อนมันเฉยเลยไม่มีร้อนไม่กระดุกกระดิกจิตไม่ <ๆ. S 1> ใจไม่เลยรูปครรมร้อน ความร้อนราคาความร้อนตัวสัตว์จะยิ่งกว่า ยิ่งใหญ่พรหมโลกคือผู้สร้างโลก ไม่ได้มิเคเลโลภเป็นเป็น ผุชนหิตายะผุชนสุขกายะสุขายะโลกานุกัมปายะยังบริบูรณ์นี่คือพรหมที่ อุเบกขานี่คือจิตพร้อมรับใช้โลกอยู่ ต้องก็ช่วยสร้างปรมโลกเป็นอำนาจทางกายไปได้เร็วอิทธิเดช นะเอเงียบๆไม่ใช่แม่ไม่เข้าใจถ้าก็บอกเอาใจหน่อยเอานะนะอ้าวเข้าๆนะ อาตมาก็พยายามในพยายามอธิบายพยายาม อาตมาก็ทําได้อย่างเงี้ยเอามาอ้าวไม่ไป อาตมานี่เหาะได้หมดทําได้หมดเนี่ยขออภัยโห่พูดใหญ่ ใครเห็นว่าอย่างนี้ควรเอากลับมาอย่าชะ ใบสุดท้ายอันนี้เพลงสุดท้ายทุกบรรยากาศ ก็เลยล้างไอ้เนื้อเก่าออกมาเนื้อสาระแบบโลกหรือ ที่สาระมันก็อย่างไม่ว่าจะเป็นแบบจิตตกรรม ศิลปะอันเป็นมงคลอนุโดมหรืออมงคล ยังบำเรอกามบังบำเรอโทสะเป็นบูแล อันนี้ก็เป็นความหมาย 67 นาทีแล้วเราก็เริ่มต้นตอนนี้ لیم پای سو طعا